กุศลวิสัญนชนาติธรรมกับท่นานหลวงตาโนรงค์ขีณาพยอมต้องมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันครับเพราะว่าคือการทํางานนะฮะคื อ, คอมันยุงย่งๆเราก็เลยรู้สึกว่า ผู้รู้ที่เราเคยมาตามดูว่าเราทําอะไรแล้วคิดอะไรเนี่ยมันเหมือนมันหายไปแล้วสมาธิเราก็ไปอยู่กับเรื่องของการงานแล้วก็เลยกลับมาคิดทีว่าอา้าวแล้วผู้รู้ของเราไปไหนฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าอามันจะเป็นการขาดผู้รู้ไปหรือเปล่าอะผู้รู้มันการมาพัฒนามาเป็นความรู้สึกตัวคเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติในปัจจุบันแค่นั้นแหละ ไม่มีผู้รู้ไปรู้ไล่รู้อาการไล่รู้อะไรต่อไปแล้วหรวแต่มีความรู้สึกตัวในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันขณะด้ความรู้สึกตัวปัจจุบันขณะี่เป็นขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันด้ความรู้สึกตัวไม่ทิ้งความรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะอีกต่อไปมันเป็นอัตโนมัตินะมันเป็นอัตโนมัติอืมมีทํางานอะไรทําำทำนู่นทํานี่ด้ความรู้สึกตัวในปัจจุบันมีแต่อยู่กับปัจจุบันขณะด้ความรู้สึกตัว แล้วไม่เอาอะไรมาไว้ในใจต่อไปครับไม่มีไม่เอาอดีตกังวลใจในอดีตไม่เอาไอ้กงวลใจในอนาคตไม่ไม่สบายใจกับอดีตเรื่องอดีตไม่มีมาไว้ในใจอีกต่อไปเรื่องอนาคตกังวลใจก็ไม่ไว้ในใจแล้วก็ไม่กังวลใจกับสิ่งใดอีกต่อไปอยู่กับปัจจุบันขนาดนี้ไม่มีความกังวลใจอะไรมีปัญหาอะไรก็แก้ไปครับแต่ใจไม่มีแล้วไม่มีตัวใจ ไม่มีตัวใจไม่มีใจไปดูอะไรมีแต่ความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันทํางานอะไรทํําากิจกรรมทําอะไรด้วยความรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะปัจจุบันคร WAS, e ับเรียกว่าผู้รู้เนี่ยมันพัฒนาขึ cognitive cognitive ้นมาจนเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปทําความรู้สึกตัวมันจะทําอะไรมันจะไม่ไได้ม่ขาดความรู้สึกตัวจะคิดจะพูดจะทําอะไรมันทําด้วยความรู้สึกตัวหมด และไอความรู้สึกตัวที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับท่านจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับน้ำเป็นน้าแล้วก็ปัญหาทั้งหมดเราอยู่ในโลกมันจะไม่ตายต้องมีปัญหาปัญหาทั้งหมดเปรียบเหมือนน้ำมั น, มนเราอยู่ในโลกต้องมีปัญหาให้แก่ตลอดไม่ว่าปัญหาอะไรต้องมีปัญหามาให้เราแก้ตลอดเวลาเดี๋ยวปัญหาเรื่องขอบรัวปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องสุขภาพ ปัญหาเรื่องเอสุขภาพคนนู้นป่วยคนนี้ป่ว ย, วยต้องพาไปโรงพยาบาลตัวเราก็ต้องไปหาหมอฟันไปหาอะไรเนี่ยอันนี้คืออมันจะเป็นเหมือนน้ามันเป็นเหมือนน้ามันแต่น้ํามันกับน้ําเนี่ยมันจะไม่อยู่ปนกันมันจะลอยตัวเออมันจะลอยตัวตัวในความรู้สึกตัวที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกตัวอยู่ในทุกขณะปัจจุบันมันจะเป็นเหมือนน้ําแล้วก็ปัญหาทั้งหมดมันจะเข้าไปสู่ใจไม่ได้ มันจะติดความรู้สึกตัวอยู่มันจะติดความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทําอะไรจะไม่ทิ้งความรู้สึกตัวเลยเราจะมีชีวิตอยู่ได้ใจเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นน้ําแล้วก็ปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในทุกขณะปัจจุบันเปรียบเหมือนเป็นน้ามันมันจะลอยอยู่เหนือน้ําตลอดมันจะไม่มีไม่มีผสมกันได้จะเทใส่เข้าไปยังไงมันก็ไม่มีทางผสมกันแต่จริงๆพุทธเจ้าตัดว่าปัญหาทั้งหมดเรียกว่าโลก โลกเนี่ยลอยอยู่บนพื้นน้ําน้ำเหมือนกับลูกโลกเราเนี่ยลูกโลกเราเนี่ยลอยอยู่บนพื้นน้ํามีน้ําหนุนโลกโลกลอยอยู่บนพื้นน้ําน้ําลอยอยู่บนอากาศน้ำเนี่ยมีอากาศหนุนไว้อากาศอยู่มีความว่างหนุนไว้ที่สุดแล้วเป็นความว่างนี่แห ไม่มีอะไรเข้าไปสู่ใจไม่มีอะไรค้างในใจมีแต่ความรู้สึกตัวแล้วก็ปัญหาทั้งหมดเป็นโลกโลกมันจะลอยเหนือมันจะลอยเหนือเหนืออากาศเหนือความว่างมันจะไม่ปนกันปัญหาเราก็แก้ไปในชีวิตประจําวันมีปัญหาอะไรก็แก้ไปตามเหตุตามปฏิกิยแล้วมันจะเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติเราที่บอกว่าเอา้าแล้วเราเร า, เราอยู่ๆไปแล้วผู้รู้มันหายไปไหน มันไม่หายไปหไหนแร้วมันพัฒนาเป็นความรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะหรืออยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยแต่ในภาษาของพระพุทธเจ้ามหาสัตตะโลรใช้คําว่ามีสติตื่นรู้อยู <S <S like> i mean> um. ่มีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันในในหังพระพุทธเจ้ามหาสัตตะโรความที่ตัดจรู้แล้วไปไปฟังเลยมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันขนาดตอนที่ผูเจ้าตกการัสรู้แล้วนางสุชาดากับเด็กๆมาเอาส้มมาถวายแล้วผูเจ้าก็แจกส้มมากินเราจะมีความเราทำอะไรในปัจจุบันขนาดจะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาที่เราทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเรากินส้มเราก็อยู่ความรู้สึกตัวท่านว่าใจของเราจะไม่วิ่งตามหลังความคิดไม่ใช่เราทาอะไรไปแล้วก็คิดไปรออไรเรื่อยแล้วก็ไปรู้สึกตัว ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะทำอะไรได้วยความรู้สึกตัวใจเราจะไม่วิ่งตามหลังความคิดมันจะไปได้วยกันใช่ไหมเราสังเกตดูซิถ้าท่านเป็นอย่างเงี้ยความคิดกับความรู้สึกตัวมันจะไปได้วยกันทำอะไรมันจะไปกันด้วยการควาคิดกับความรู้สึกตัวปัญหาที่ให้คิดมันก็คิดอยู่แต่ขณะนั้นความรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวอยู่ปัญหาให้คิดกแก RR, ก็คิดอยู่หั ว, ว ส, วอวสวอมองก็หมุนติ้วติ้ แต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันอยู่ก็ life, มีความรู้สึกตัวอยู่มันแยกส่วนกัน <st> uh> มันเปรียบเหมือนน้ากับน้ํามันที่เราเปรียบเทียบไปเห็น น, น่ะคือน้ํามันมันก็จะลอยเหนือน้ําอยู่เรื่อยไปมันจะไม่แยกมันจะไม่ผสมกันได้โดเด็ดขาดความรู้สึกตัวน่ยเปรียบเหมือนน้าปัญหาทั้งหมดเปรียบเหมือนอน้ำมันชีวิตที่เหลือเป็นอย่างนี้เนะี่ย <st> uh <expression> แล้วอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเมื่อเรามีความรู้สึกตัวอยู่ในทุกขณะปัจจุบันความรู้สึกตัวไม่วิ่งตามหลังความคิดมันจะไปอยู่ด้วยกันแล้วต่อไปเนี่ย อำนาจของความรู้สึกตัวเนี่ยพื้นที่ที่จะเปรียบบอกว่าเหมือนน้าเนี่ยมันจะมีอํานาจมากขึ้นไปเรื่อยๆเล ย, เลยไอ้ปัญหาทั้งหมดนะเหมือนกับที่บอกว่าเหมือนน้ามันเนี่ยมันจะถูกเบียดให้เหลือปริมาณเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆเล ย, เลยไอ้ไอ้เรื่ความรู้สึกตัวที่เปียบเหมือนน้ามันเนี่ย ized, มันจะค่อยๆมีอำนาจเหนือกว่ามันจะมั น, มนกลายเป็นความว่างกืนกินทุกสัตสิ่งใจมันจะว่างเปล่าไปหมดเลย แล้วมันจะเกลืนกินกิเลสหมดมันจะเกินกินกิเลสหมดนั่นไงมันจะพัฒนาไปของมันอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆมันจะไม่มีแล้วผู้ผู้ที่มามารู้อะไรมันจะมารู้อะไรมันจะพัฒนาของมันเองเป็นเป็นอัตโนมัติไอ้ภาระที่ต้องมาคอยรู้อะไรไม่มีอีกแล้วมันเีแต่ว่าอความรู้สึกตัวในปัจจุบันไม่หลงอีกเลยเข้าครับ ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะรุ่งเรืองมีแต่รุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองมันจะมีแต่จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่จะให้หมดปัญหาให้หมดต้องตายเสก่อนปัญหาให้หมดเลยต้องตายเสก่อนลุงตาเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะปัญหาเรเยอะเพราะนั้นมันต้องตายเสียก่อนปัญหาถึงหมดยังไม่หมดก็มีหมดปัญหาหรอกนันเราอยู่ไปอย่างนี้แนะหลังจนกระทั่งเหีความรู้สึกตัวมาจุวันไม่หายเลย ไม่ไม่ความรู้สึกตัวเรากับความคิดไปด้วยกันในปัจจุบันเราจะทําอะไรก็จะไปด้วยกันความรู้สึกตัวกับความคิดเนี่ยมีปัญหาก็แก้ไปด้วยความรู้สึกตัวแล้วทีสุดเนี่ความรู้สึกตัวมันจะพัฒนาไปจนเป็นอัตโนมัติไม่หลงอีกเลยแล้วมันจะกลายเป็นความว่างใจจะกลายเป็นความว่างว่าบวาบว่าบวาบวางวาบไปแล้วความว่างมันจะเกินกินหเกินกินกิเลสจนจบสิ้น ตอนนี้ยตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องพยายามทามําำไปต้องไป พ, พยายามอีกแล้วพยายามจะไปดูไปรู้อะไรมันไม่มีแล้วมันจะแต่ความรู้สึกตัวอัตโนมัตินะเข้าใจเนาะแต่พัฒนาเร็วมากนะเราขออนุมโมทนาเลยพัฒนาเร็วมากก่อนที่จะมานี่ก็คือสงสัยตัวเองว่าไอ้ผู้รู้ที่เรา ถามถึงอย่าง้ยคือมันไปไหนตอนนี้ก็เข้าใจแล้วครับครับนไปไหนแล้วเร็วมากเลยนะ ไ, ได้ห่างฟังวันนี้เข้าใจไหมฟังฟังของนี่เข้าใจไหมฟังของพี่เขาเข้าใจไหมหรือไม่ได้ฟังอ๋อเขาไมาทันได้ฟังโมตะพูบบดเลยทีนี้เอาเราอธิบายมาสิ ปฏิบัติอย่างไรมันเป็นงไงมาถึงพัฒนามาอย่างเงี้ยเป็นยังไงดิอธิบายดิก็ประมาณต้นเดือนเมษาฮรางานมาหาหลวงตาก็คือตอนนั้นเนี่ยอ่ายังปฏิบัติไม่ถูกวิธีท่านี้หลวงตาก็ถามหาไปทางพี่เมย์แล้วก็เลยลางานมาพบหลวงตาแล้วก็ถามถึงวิธีปฏิบัติหลวงตาก็แนะแนวทางให้ ว่าจะต้องเดินทางสายกลางแล้วกอ็อยู่กับปัจจุบันทีนี้ก็คือมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานทีนี้เราก็เรียนถามหลวงตาแล้วก็เอาสิ่งที่หลวงตาสอนนะ่ะไปปฏิบัติกับชีวิตการทำงานนี่ก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยปฏิบัติรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลาประมาณน่าจะสักสองอาทิตย์ ก็หลวงตาก็บอกว่ า, าปฏิบัติได้ถูกวิธีแล้วก็ตแต่ไม่ห่างอ้าซักอ้ายังมีสงสัยดูเข้าดูนูกสึกเลยยังมีสงสัยนิดๆเอาแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าม า, า, มาจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นตรงนี้ให้สิ้นสงสัยมาใหม่ใหม่ให้ไหมมให้สงสัยเมือ่อกี้นิดเดียวเ็าเขามีสงสัยในใจเห็นอย่ สงสัยว่าตอนที่พี่บอกว่าพี่ไปกับมห า, าลอกตากลับไปเราไปทํางานแล้วเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นคือเข้าใจว่าอะไรครับคือเข้าใจว่าการปฏิบัติฮนะคือมันต้องมีผู้รู้มากํากับตัวความคิดของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยคิดอะไรที่ฟุง้งซ่านเนี่ยถ้าเกิดเรามีผู้รู้เนี่ยคอยตามดูว่าไอ้ความคิดฟุง้งซ่านนั้นอนะมันคิดไปทางไหนที น, นี้ไอ้สิ่งที่มันฟุง้งซ่านเนี่ย มันถูกกำกับโดยผู้รู้แล้วเนี่ยมันก็จะคิดนอกรูกนอกทางมันก็เลยเหมือนว่ามีคนมาเตือนสติให้ไม่คิดนอกกรอบอาจารย์กำลังทบทวนสามต่อเอาสักพอให้เวลาทบทวนแล้วสก่อ น, น, อ น, น, อ น, น อที่ที่บอกว่ามีผู้รู้มาควบคุมแล้วคอยเมื่อกี้พี่ใช้คำว่าผมจำเได้แล้วประมาณว่าคอยช่วยดูใช่ไหมครับถ้ามีเรื่องอะไรที่มั น, มนว่าจะทําให้ใจมันหลุดออกไปก็คือให้กําหนดกลับมาอย่างเงี้ยครับหรือยังไงอันนี้ผมยังไม่เคลียร์ครับคือตอนแรกก็อ่าลองไปปฏิบัติเองนะฮะคือว่าเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดเราไม่มีผู้รู้เนี่ยเราจะทำะไรเรา ไม่ได้สนใจจะทํานู่นทํานี่บานทีอาจจะเป็นการอนินทาคนอื่นหรือว่าจะไปอคิดอะไรที่ทําให้จิตมันขุ่นข้องหมองใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ลูกของเราเองเนี่ยอาจจะลักษณะคล้ายๆกับการมีผู้มาเตือนเหมือนแทนที่จะมีคนมาบอกเนี่ยเราก็คอยตรวจสอบตัวเองว่าไอาสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีกับตัวเราเอง เราก็กําหนดตัวผู้รู้เนี่ยแหละมาคอยดูคอยตรวจสอบตัวเราเอ ง, องไไก็ช่วงแรกก็พยายามฝึกตอลอดเวลาจนบางทีว่าอในบางขณะเนี่ยคือพอเราทําแบบ น, นั้นไปเนี่ยไอตัวผู้รู้เนี่ยเรารู้สึกว่านี่ผู้รู้อ่ะมันหายไปไอตัวเราตัวเราเองเนี่ยก็เลยกลับย้อนมาถามว่าแล้วตัวผู้รู้ที่คอยตรวจสอบตัวเราเนี่ยมันไปไหน ก็คือมีการแบบถามทั้งสองทางซึ่งเมื่อกี้หลวงตา ก, ก็เรียนว่าออพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนอัตโนมัติไปเอ่อหมายเพราะว่าตอนแรกก็คือต้องเหมือนตั้งใจรู้นิดนึงเหมือนว่าต้องคอยพยายามรักษาใจตัวเองไวใช่ไหมครับไม่ให้มันหลุดออกนอกทางโดยที่เรียกว่าผู้รู้แต่ หลวงตาบอกว่าถ ja really really like ้าทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอัตโนมันเองเดี๋ยวมันก็ทิ้งผู้รู้ไปแล้วมันก็รู้เองเป็นธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมครับพอมันรู้อย่างเงี้ยพัฒนาไปรู้รู้ไปจะไม่ทิ้งมันไม่ทิ้งความรู้รู้ตัวมันไม่ทิ้งความรู้รู้รู้รู้ไม่ใช่ว่าไปไล่รู้อาการนะคือมันหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมามันหลงไปปร้งแต่งหลงไปปร้งแต่งหลงไปคิดปรุงแต่งหลงไปคิดนู่นคิดนี่หลงไป คิดปรุงแต่งหลงไปพยายามเพ่งจิตหลงพยายามไปดูจิตหลงพยายามไปจะไปไล่ดับความคิดหลงคือหลงเช่นนี้แหละหลงคือหลงไปปรุงแต่งอ่ะหลงไปปรุงแต่งพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยมันไม่หลงมาเลยกลายเป็นว่าเอาแล้วผู้รู้เั็นหายไปไหนอ่ะก็นี่ไงก็หลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมามันก็เลยจุดท้ายเหลือแต่ความรู้สึกตัว ผมไม่หลงละเมอจะไมันจะต้ไปรู้อะไรมันก็เหลือเลยเหลือแล้วความรู้สึกตัวเพราะว่าหลงไปปรุงแต่งหลงไปคิดเพิดเพิดเจริญใจหลงเมอเผอเพลินหลงไปติชินดินทาว่าลายคนน้นคนนี้หลงประเภทโทษเพลงโทษคนนั้นคนนี้หลงไปหงุดหงิดลำคาญใจกับสิ่งนู้นสิ่งนี้หลงไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาสุกมาไว้ในใจหลงมีความทุกข์ใจไม่สบายใจไปกังวลใจกับอดีตที่ผ่านมาไปกังวลใจกับอนาคตที่ยังไม่ถึงหรือว่าไม่สบายใจมีความไม่สบายใจเรื่องอะไรเอามาค้างไว้ในใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ เอาก็มาหลงไปปรุงแต่งหลงไปไม่สบายใจกับเรื่องอะไรหลงไปกังวลใจเรื่องอะไรก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตัวตัวตัวหลักมันคืออะไรคือความรู้สึกตัวหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวตอนนี้มันก็เลยพอมันไม่หลงแล้วอ้าวไม่หลงก็เหลือไปไหนรู้พูดรู้หายไปไหนที่จะต้องคอยคอยรู้ไว้ไม่ให้เราเราหลงอ่ะเอาก็เราไม่หลงแล้วไง มันเหลือแต่อะไเหลือแต่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันและอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะปัจจุบันโดยที่ไม่ได้ว่าเป็นความรู้สึกตัวต้องตั้งใจรู้อีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีผู้รู้แล้วเหลือแต่และความรู้สึกตัวที่ว่าเออมันมันสบายแล้วหมดหมดความที่ว่าหลงต้องรู้สึกตัวหลงต้องรู้สึกตัวหลงต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเอ้ามันก็พอไม่หลงแล้วมันก็เลยเป็นความรู้สึกตัวเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าตัวอัตโนมัติเป็นออโต้เป็นอออัตโนมัติไปโดยที่หมดภาระงใจจจอยู่กััับบปุน ขณะด้ยวยความรู้สึกตัวสงสัยไหมเข้าใจแล้วครับทีนี้ถ้าผมม อ, มองกับไปเวลาที่เราไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างผมเองอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจว่ามันหลงไปครับเราพยายามไปรู้แล้วก็รู้แล้วก็ไม่ปล่อยวางด้วยเพราะว่าอยากให้มันหายไปอีกอะไรประมาณนี้อยากให้มันหาย อยากให้มันหายมันก็เลยกลายเป็นตัวอยากอยากให้อะไรหายอยากให้อะไรหายให้อาการหรือว่าความคิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในใจอยากให้มันหายออกไปมันก็เลยยิ่งกลายเป็นตัวอยากขึ้นมาเอีกใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องเราก็ต้องรู้สึกตัวว่าไอ้ที่เราอยากให้ไอ้ความหลงหายไปอยากให้อาการหายไปอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้หายไปจากใจเราเพราะว่ามันเอาไว้ในใจแทนที่จะไปรู้ว่าจะพยายามทําให้อาการหายหายไปแต่ต้องมารู้เตาทันที่ว่า อยากให้อาการหายไปอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้หายไปพอสิ้นความอยากปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในใจเรามีอีกคําถามนึงคงรับหลวงตาคือว่าที่หลวงตาบอกว่าเอรู้ว่ามีอะไรอยู่ในใจเล้วออกไปหรือว่ารู้ว่าหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาครับมันคือไม่ใช่ว่าเราเข้าไปมองในใจแต่แค่เหมือนอ่านใจตัวเองออกว่าเอ้ยเหมือนเราไปยืดอะไรไ ว, แว้แล้วเรารู้สึก เครยดอะไรนี้พออ่านใจตัวเองแค่นี้ออกก็คือก็ปล่อยวางก็จบแค่นี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไม่ได้ไปมองว่าในใจคิดอะไรอยู่มันแปรเป็นหมกมุ่นเข้าไปดูข้างในซึ่งไม่ได้ทําให้เราปล่อยวางเลยถูกไหมครับถูกต้ององย่างนั้นเนี่ยคิดว่าจะปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยวางกลับกลายเป็นว่าหมกมุ่นหนักเข้าไปอีกแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เขาถามมามีพระ ผู้ใหญ่ทนหนึ่งจากจากเชียงใหม่เมื่อกี้ที่ท่านถามมาที่ท่านบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเอทิ้งหมดแ ล, แล้วเราบอกให้ทิ้งหมดอา้าวแล้วทิ้งหมดมันละไม่แต่รู้สึกตัวแต่มาลู่มันเหมือนกับมันมารู้อยู่แถวหน้าอกอะไรเงี้ยะบอกให้รู่ที่หน้าอกก็ทิ้งไปอีกหรือให้อยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบนะันอ่ะอยู่กับปัจจุบันขณะด้วย ค, นะความรู้สึกตัว <M> mm. โดยที่มันจะไปทำความรู้สึกตัวไว้ก็คือมันเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติโดยที่มีบีพาระต้องไปทำความรู้สึกตัว ว่านั่นบอกว่าอย่างนี้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงถ้าอย่างนี้คือถ้าจะไปคาดหมายในอนาคตก็บอกว่าทิ้งความคาดหมายในอนาคตไปซะอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวไม่มีไม่มีค า, าดหมายเลยรในอะนาคตไม่มีเอในอดีตอีกก็มีแต่ปัจจุบันขณะที่ในหนังพระเจ้าหมาสอดจราโลชันนิคามว่าสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติตื่นรู้ตื่นทั้งตื่นทั้งรู้ นั้งตื่นทั้งรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ก็คือรู้สึกตัวตื่นรู้สึกตัวยอยู่กับปัจจุบันขณะคำว่าตื่นรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะคือตอนที่ อ, องค์สอนนางสุชาดากับเด็กๆที่เอาส้มมาถวายแล้วก็เู้าก็เลยถามนางสุชาดากับเด็กว่าส้มมีกี่กีบระหว่างที่เรากินส้มเนี่ยส้มมีกี่กีบเด็กๆกับ นักบูชาดาก็ไม่ได้ SI นับมากินไปเรื่อยป อ, อกไปแล้วกินไปเรื่อยหลวงู่เจ้าบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยใจหรือความรู้สึกตัวเราเนี่ยตามหลังความคิดใจเราตามหลังความคิดไม่ทันกันคือมันคิดอะไรไปเรื่อยเรากินส้มเราไม่ได้รู้สึกตัวอยู่การกินส้มถ้าเรา <Schön> ม, มีความรู้สึกตัวอยู่กับการกินส้มนั่นแหละคือความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะในขณะที่เรากินส้มและอันนี้มันก็จะเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นพื้นฐาน เป็นปกติในชีวิตประจำวันเราทําอะไรด้วยความรู้สึกตัวแม้แต่เรามีเรื่องที่บอกว่ามีปัญหายุ่งๆที่ห่างมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันมันเหมือนใจมันไม่มีอะไรแต่ในใจที่ไม่มีอะไรนะแต่ในหัวมันมีปัญหายุ่งๆให้แก่อยู่เรื่อยๆ e, มันมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ที่จะต้องแก in ้นั่นแหละแต่นี่คือมันจะแยกกันที่บอกกับบอกว่าบอกกับห่างวะช้าว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็เลยเปรียบเหมือนเป็นน้ํามัน ใจที่รู้สึกก็ไม่มีอะไรเปรียบเหมือนน้ำน้ํามันกับน้ําจะอยู่คู่กันอย่างนี้เนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยพอเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะโดยจะเป็นปกติธรรมชาติที่มันจะเป็นตรงพยายามทำความรู้สึกตัวนะมันเป็นความรู้สึกตัวที่ที่มันไม่หลงแล้วก็หลงถ้าหลงแล้วก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาอีกหลงก็ต้องรู้สึกตัวกันอีกจนกระทั่งมันมันเป็นอัตโนมัติคือมันไม่หลงมันอยู่กับมันเป็นมันไม่หลงแล้วมันก็เลยเป็นความรู้สึกตัวอัตโนมัติต่อไปเนี่ยพอเป็นความรู้สึกอัตโนนนนมมััตติบเี่ยก็ออําาจขง ใจที่มันเยอะมันก็จะค่อยๆว่างเปล่าไปเรื่อยๆมันจะกืนกินกืนกินปัญหาที่อยู่ในหัวเอที่บอกว่ามันนี่มันไม่เหมือนกับใจมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีปัญหาเนี่ยอยู่ในหัวลึกๆอยู่ในใจลึกๆอันนั้พราะเราอยู่เป็นเป็นความรู้สึกตัวเยอในปัจจุบันขนาดต่อไปมันจะพัฒนาของมันไปเองแล้วไม่เราไม่ได้ไปต้องไปทําอะไรอีกที่บอกว่าแล้วที่ที่ก๊อฟก๊อฟอ๊อฟถามว่า อาแล้วผู้รู้มันหายไปไหนมันมาอยู่ความรู้สึกตัวแล้วนะที่ว่าหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวมามันก็มาอยู่กับรู้แล้วนะไอ้รู้เนี่ยมันอยู่ความรู้สึกตัวแล้วมาเป็นมาพัฒนาเป็นความรู้สึกตัวแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วต่อไปใจมันก็เลยกายค่อยๆพัฒนาไปของมันเป็นความว่างกินกินไอ้ปัญหาที่อยู่ในหัวอยู่ในใจลึกๆเๆค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปแล้วมันเลยกินกินทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งกืนกินกิเลสไปด้วยที่เหลือมันพัฒนาของมันไปเองเราไม่ได้ทําอะไร ที่แว่ามีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันหรือมีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันลุกกระที่เป็นอัตโนมัติออลโต้นะเข้าก่อนไอ้ว่ายเสียงที่หมอของหมอที่ที่คุยตรงนั้นที่ที่ออกไปก็คนชอบมากกันชัดเจนชัดเจนเียที่ที่หมอพูดนะแลชัดเจน เป็นไงบ้างอมากลับมาเที่ยวนี้ฟังฟังตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับประเทศนี้เป็นไงบ้า ง, า ต, งต้องต้องคอยโยนิโสนะเจ้าค่ะไอ้ไ อ, อ้ไม้เปิดเนี่นนมยมันก้นไม้ไหมกดกดให้มันฝ่ายติดแชร์อ๋อคือความเข้าใจในธรรมะที่หลวงตาได้เมตตามอบให้เนี่ยจะกระต่างแจ้งขึ้นเยอะเจ้าค่ะแต่ยังไงก็ตามพอต้องคอยโยนิโสให้ ที่หลวงตาใช้คำที่ที่ที่หมอชอบมากก็คือให้กลับติดแล้วก็ให้มันต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันธรรมแล้วก็ไม่ให้ค่าแล้วก็ปล่อยวางในท่ามกลางเจ้าค่ะคือเมื่อก่อนบางครั้งเนี่ย จะชอบสงบแล้วก็จะหลบมุมแล้วบางครั้งพอใครทําเสียงอะไรนิดนึงมันจะดังมากมันกระเทือนไปหมดเลยแล้วเราก็จะงุนหึดขึ้นมาซึ่งซึ่งอันนั้นมันไม่ถูกแล้วก็พอหลวงตาเตือนก็ก็พอเข้าใจแล้วมันมันไม่สะเทือนเลยเจ้าค่ะหมายถึงเสียงเขาก็ทําเสียงเข้าไปแต่บางครั้งเราอยากจะสงบเราก็จะหลบหลบออกไปหน่อยนึงแต่ว่า การใช้สมองการใช้ขันห้าเราจะไม่ไปอยู่ในความว่างเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนี้เจ้าค่ะเราก็จะทำประโยชน์ให้กับประโยชน์เขาประโยชน์เราได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งถ้าเมื่อก่อนบางครั้งเราก็จะหงุดหงิดเราก็จะหลบมุมเราจะไม่อยากไปเจอใครแต่ว่าตอนนี้อย่างเช่นหมอยุ้ยก็จะต้องสอบรีเซิร์ชไฟบอร์ดเนี่ยเราก็รู้สึกเราเรา มีความผา่องใสอะค่ะที่จะเข้าไปช่วยเขาโดยที่มันก็ไม่มีอะไรกระเทือนเราด้วยก็ได้ทําประโยชน์แล้วก็ลูกๆห ล, ลานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้เมตตาเขาหรือสามีอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คอยไปจ้องจับผิดเขาสมากก็จะดูดูข้างในของเราอะนี่แหละว่าไอ้อกุศลและจิตที่มันจะเริ่มก่อเงี้ยมันจะทันก่อนเมื่อก่อนนี้เจ้าค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็โกรดไปก่อนหรือพูดไม่ดีไปก่อนแล้วถึงจะถึงจะรู้แต่ว่าตอนนี้ก็จะอย่างวาจาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวาจาที่เมตตาไม่ไม่ไปพูดประชดประชันหรือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนในภาษากายภาษาอะไรเงี้ยมันจะออกมาก่อนอันคงจะทําให้เขาน้อยใจนะนจ้าค่ะ ก็ต้องกราบขอบคุณหลวงตาจ้ะพ่อเบ้ามันมันมันไม่ใช่ง่ายนะเจ้าค่ะจริงๆหลวงตาเตือนแล้วตั้งแต่วันแรกที่เจอหลวงตาที่สารายาเนี่ยหลวงตาเปิดหน้านั้นเลยอะ่ะว่าให้หยุดให้หยุดที่จะสา ะ, ะแสวงหามันก็อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจจ้ะค่ะ ก็เหมือนดิ้นรนทุนรนทุน ร, นทนรายว่าเราจะต้องไปให้ได้เราจะต้องหาเราจะต้องมันมีตัวเราเมื่อก่อนเนี้ยนะจะแต่ตอนนี้ก็คือปล่อยแล้วก็ให้รู้เท่าทันโดยไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนแล้วก็ทุกอย่างก็ไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็พยายามสร้างเหตุที่ดีไว้นะปัจจุบันก็เราจะรู้สึกมัน มันไม่มีเลยรมาเกาะเกาะเราได้เจ้าค่ะแต่ว่าไม่ใช่เสถียรนะเจ้าคะต้องต้องคอยโยนิโสต้องคอยฟังธรรมะหลวงตาทุกวันเจ้าค่ะเช้าถ้ากลางวันมีเวลาก็ต้องฟังแล้วก็คอยก็ก็อยู่ในวิเวกเท่าที่จะทําได้นะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเมื่อต้องทํางานก็ทําแต่ก็คอยรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ รู้เขาเรียกอะไรเงี้ยกิเลสที่เขาจะมาครอบมากระตุกมาอะไรอย่างเงี้ยทาก็ต้องสู้กันหน่อยนะเจ้าค่ะแต่รู้สึกรู้สึกว่าสามารถเอาทุกออกจากใจได้พอสมควรเจ้าค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็อะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็จะ ไม่ค่อยผ่อนปลนนะจ๊อค่ะหมายคําว่าเราก็มันมุ่งอยู่ทางธรรมนะจ้าค่ะแต่ไอ้คาว่าไม่ค่อยผ่อนปลนหมายคําว่าใครมาเปิดทรเทัศน์หรือใครมาวิ่งวุ่นวายอย่างเงี้ยเราจะเกิดอาการข้างในแล้วก็อาจจะแสดงมาข้างนอกแต่พ่าตอนนี้เราก็จะไม่ได้มีอากัศกริยาขนาดดังนั้นจ๊องค่ะ สมมติม่คุณไข้ตอนนี้ก็ให้หมอยุ้ิเขาดูเป็นหลักเจค่ะแล้วก็ตัวตัวตัวโยมเมนก็มักจะเข้าไปเรื่องสัมผัสว่าคนไข้เขาทุกข์ทรมานทั้งจิตทั้งความคิดการปรุงแต่งอะไรพวกนี้เจ้ค่ะก็เข้าไปช่วยเขาในเรื่องพวกนี้เจ้าค่ะก็จะมีประโยชน์มาก หมอก็เหลืองผ่องใสมากะเนี่ยดีมากเลยกบทั้งกล่าวขอบคุณอาจารย์เหลืองผ่อ ง, องใสคือทั้งไอ้คาพูดที่ออกมาทั้งภายในมันก็ตรงกันคืดเจนทั้งคําพูดจเจนทั้งภายในก็เหลืองผ่องใสงสว่างไสวยดีดีมากไอ้นี่แล้วพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความเมตตามาเองเจ้าค่ะคือ เราไม่ต้องแซงความเมตตาพอจิต ใ, ใจของจยมหมอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเมตตาต่อทุกคนเองขึ้นมาโดยโดยใจของเขาเองใจก็จะเป็นเมตตาต่อสามีเมตตาต่อลูกเมตตาต่อหลานเมตตาต่อลูกน้องเมตตาต่อคนไข้มันเกิดขึ้นเองจากใจเป็นธรรมนี่แหละมันเป็นปัจจิตังรู้ได้ด้วยตัวเอง คนไม่สัมผัสมันก็ไม่เข้าใจพอใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยถ้ามันหยุดลงในปัจจุบันมันหยุดจริงๆไงหยุดดิ้นรนหยุดค้นหาหยุดแสวงหาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดจริงๆหยุดในปัจจุบันจริงๆไม่ไปอนาคตไม่โหยหาอะไรในอดีตในอนาคต มันหยุดลงในปัจจุบันจริงๆแล้วมันก็จบลงในปัจจุบันนี่เมันไม่ได้ไปจบในอนาคตหรอกมันจบลงในปัจจุบันที่ใจมันหยุดดิ้นรนหยุดโหยหาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นยุดอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจมันหยุดลงในปัจจุบันนละจบลงปัจจุบันไม่ได้หยุดอยากที่จะบรรลุบนิพาน์ในอนาคต มันก็หยุดลงในปัจจุบันแล้วจบลงในปัจจุบันนี้ไหมมันหยุดลงในปัจจุบันจบที่ใจลงในปัจจุบันมันถึงจะพบความสุขสิทธิแท้จริงทําไมหยุดมันยังไปต่อแล้วจะมันจะพ้นจากทุกได้ยังไงผมมันยังมีการหมุนต่อไปข้างหน้าในอนาคตการหมุนต่อไปนะั่นแหะมันยังไม่หยุดเพราะวันใดหมุนต่อไปยังติดลนยังคนหายยังไม่หยุดอยากถึงอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็น ยังไม่หยุดที่จะเข้าใจยังไม่หยุดที่จะอยากบรรลุธรรมมันก็จะหมุนจี๋จี๋จี๋จีในใจของเราให้เป็นทุกข์อยู่แน่เมื่อใจยังหมุนจี๋จี๋แล้วจะบอกว่าสงบจะบอกว่าพบกับความสุขแล้วมันก็พบมันก็จะไม่เป็นความสุขได้เพราะว่าใจ ม, มันยังหมุนมันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่ถ้าตราบใดใจยังหมุนอยู่เนี่ยแม้แต่กายหยาบที่บรรดาบแล้วเนี่ยกายจิตวิ ญ, ญญาณที่เมื่อกี้เขบอกว่ารูปรูปวิ ญ, ญญาณเนี่ย <Okay. S 2> หรือกายกายโปร่งแสงที่เป็นกายกายทิพย์ที่หมอเรียกว่ากายทิพย์เนี่ยมันก็จะหมุนต่อไอ้กายทิพย์ก็มาจากอะไรมาจากเนี่ยเนี่ยแล้หมุนไม่หยุดยังจะหมุนต่อไปอีกถ้ายังหมุนต่อไปอีกมันก็หมุนพาไปเกิดได้ถ้าหยุดหมุนซะแล้วเนี่ยไอ้รูปวิญญาณเนี่ยมันก็หยุดหมุนมันก็ดับลงสุดท้ายจิตเดิมแทก้ก็กลายเป็นความว่างไปเดิอแต่ความว่างกายทิพย์หรือกายโปร่งแสงก็ก็ดับไป แต่ถ้ายังใจภายในใจยังหมุนจีจีจีจียังมีความดิ้นรลนทยานอยากไม่ว่าจะดิ้นอะไรไม่ว่าดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเข้าใจอยากบรรลุแจ้งอยากบรรลุทำอยากบรรลุปณิพนอยากอยากอยากอยากอยากอยากอะไรก็ตามเนี่ยแต่ยังหมุนจีจีจีจีตลอดเวลาเนี่ยพอแม้แต่ดับจิตลงตอนเนี้ยลมใจดับเพลียลงแล้นั่นแหละมันหมุนต่อเลยอ่ะไอจิตปรุงแต่งเนี่ย มันหมุนออกมาเป็นกายทิพย์กายปรงแสงนี่แนะหรือเมื่อกี้ที่หลวงปู่ดูลันตใช้คําว่ารูปวิญญาณอ่ะครับัญญัตวิญญาณจะเป็นรูปอยู่มันก็ะเด็นออกมาเลยเนี่ยก็ะเด็นออกมาร้องให้ก็เด็นออกมาหมุนต่ออีกมันยังมหมุนต่อยังไม่ได้ลนยังค้นหายังยังปรุงแต่งยังได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจยังคับแค้นใจอยู่ยังอดอัดขับข้องใจยังไม่ได้อย่างใจยังไม่ได้อย่างใจอึดอึดอึอึดยังไม่ได้อย่างใจแล้วหนึจะพ้นทุกข์ได้ยังไง ถ้ามันยังหมุนอยู่อย่างเงี้ยความพุ่นทุกข์มันยังไม่เกิดเพราะความสงบมันยังไม่เป็นจริงมันต้องหยุดหมุนในใจเราอ่ะหยุดหมุนความสงบจึงเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยไม่ใช่ว่าไปเกิดขึ้นในอนาคตความโปร่งใสก็เกิดขึ้นในปัจจุบนันจิตที่หยุดหมุนแล้ว มันก็ดับลงน่จิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันดับตั้งแต่ภายในภายในแล้วไม่ทันไม่ทันตายแล้วมันก็ดับดับภายในดับจิตที่จะไปเกิดเหลือแต่ขันห้าทำงานเหลือแต่ขันห้าทางานหลอดเส้มในยูไคมันก็ดับลงแต่จิตที่ไปเกิดมันดับแล้วมันไม่มีไม่มีอีกแล้วเหลือแต่ความสงบร่มเย็นเหลือแต่ความว่างเปล่าในปัจจุบัน คือเมื่อก่อนบางครั้งเราชอบเอาเรื่องชาวบ้านเข้ามาอย่างคนไข้หรือใครก็ตามเห่เงี้ยบางที่แบกกลับมาคิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่นะเจ้าคะทำดีที่สุดแล้วก็นั่นคือวิบากของเขาแหละว่าเขาจะสามารถผ่านพน้นทุกของโรคภัยตรงนั้นแค่ไหนเพราะว่าพอเราดูคนไข้เราจะรู้เลยว่าคนไข้สองคนซึ่งเหมือนกันเปี้ยเลยเนี่ยอาการโรคเหมือนกันแบบคู่ฝาแฝดเลยเนี่ย แล้วเราก็ทุ่มเททุกอย่างในการรักษาให้กับทั้งคู่เหมือนกันเลยเนี่ยขณะที่คนหนึ่งเขารอดอ่ะแต่คนนึ่งทำยังไงก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่สามารถที่จะฝ่าวิบากและเจ้าค่ะก็ต้องอุเบกขาใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยใจของหมอเป็นธรรมแล้วเนี่ยพอใจมันเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันจะมองอะไรเป็นธรรมเริ่มจะเห็นอะไรเป็นธรรมมันจะเห็นกระจ่างกระจา่ะจางกระจายอย่างที่หมอพูดนี่เลย ถเป็นธรรมดามันจะไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกหมอพูดมาทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าใจของหมอเป็นธรรมอยู่ไม่ว่าเดี๋ยวนี้หมอกลับมามีความเมตตาต่อสามีเมตตาต่อลูกเมตตาต่อหลานเมตตาต่อรู่น้องเมตตาต่อครอบครัวเมตตาต่อคนอื่นช่วยเหลือคนไข้ก็เมตตาด้วยความเมตตาแล้วก็อันนี้มันพอใจเป็นธรรมจึงมองเห็นตรงนี้ได้แล้วมันเกิดขึ้นเองเลยอัตโนมัติแล้วก็พอพอใจเราเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันมองอะไรเป็นธรรมหมดแล้ว ลูกศิษยที่มาหาทุกคนเนี่ยมันจะเข้าใจว่าเนี่ยมาทุกคนเนี่ยแต่มันไม่ความรู้ความเห็นความเข้าใจสติปัญญาใจที่เข้าใจทำเนี่ยมาแต่ละครั้งอะ่ะไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้แต่หมอไปรักษาคนไข้หมอก็จะเห็นว่าคนไข้เป็นโรคแบบเดียวกันรักษาแบบเดียวกันแต่คนหนึ่งตายคนหนึ่งรอดเนี่ยสุัจจัยมันก็ต้องยอมรับยอมรับว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรรมมันเลยวางอุเบกขาต่อทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนไข้การสอนคนอื่นก็คือช่วยเขาให้เขาหายทุกทางใจเวลาเรารักษาคนไข้ก็ช่วยให้เขาหายทุกทางกายมันก็คล้ายๆกันนะเนี่ยแต่หายทุกใจหายทุกหายทุกกายเนี่ยมันก็ต้องยอมรับสภาพของกรรมของแต่ละคนลองเท่านี้น่าจะเข้าใจได้นะ่าจะเข้าใจนะ่าจะเข้าใจแต่ทีส่สนไม่เข้าใจไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะว่าผาา ฝ่ากรรมไม่ได้กรรมของเขาอ่ะวิบากกรรมที่เขาสร้างมาฝ่าไม่ได้แม้แต่รักษาโลกทางกายก็เป็นการฝากกรรมไม่ได้แต่บางคนฝาได้เพราะเจ้ากรรมในเวรเขายอมยอมไม่ฝาแต่บางคนหลายคนก็ไม่ยอมดังนั้นพวที่มาฟังทำให้เข้าใจบางทีเจ้ากรรมในเวรเขาก็ไม่ยอมให้ฝากไม่ไปฝาเข้าไปไม่ได้แม้แต่ว่าพยายามจะให้ทิฏฐานในแผนอธิษฐานเนี่ยแผ่นถอนคืนแผ่นแผ่นขอเข้ามาแผ่นเมตตาที่ให้อธิษฐานถอนถอนี่ย บางคนถอนหลายครั้งก็ไม่ผ่านถอนยังจะไม่ผ่านทั้งกรรมภายในใจที่เขาสร้างเองทั้งกรรมภายนอกที่ที่เขาไปสร้างเอาไว้เป็นผลของวิบากกรรมภายนอกแล้วก็กรรมภายในก็คือทิฏฐิความเห็นเนี่ยที่เขาไปสร้างไว้ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนก็ฝ่าไม่ได้ต้องท่าก็ต้องอุบเบกขาอย่างหมอว่าคนเหล่า น, นี้ยพอใจเราเป็นธรรมนะมันจะมองโลกเนี้ยมองทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันมองเป็นธรรมที่แท้จริงเลย ม, มองเป็นมองเป็นธรรมที่ ง่ายๆที่ ม, มันมองเป็นพื้นๆนี่นเองอ่ะมันง่ายๆเลยที่มองแบบว่าง่ายๆเลยที่คนอื่นมองข้ามไปแต่คนใจเป็นธรรมแล้วมันจะมองเรื่องเหล่านี้ยเป็นเรื่องปกติง่ายๆเลยแล้วก็ยอมรับกรรมไปยอมรับกรรมของเข้าไปยอมรับกรรมของเราไปคือไม่สามารถจะฝืนได้เพราะว่ากรรมุณาวัตตีโลโกตัดโลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรม ดีมากแล้วนูก้าก็ว่าหมอพัฒนามาถึงจุดนี้ดีมากแล้วยากที่ทั้งทำงานด้วยทำงานทั้งโลกด้วยทำงานรักษาคนไข้ด้วยมีครอบครัวด้วยมีลูกน้องด้วยยากยากมากเลยที่ที่หมอจะมาปฏิบัติได้ถึงระดับนี้เรียกว่ามาถึงฝ่ามาถึงจนเนี้ยมาปฏิบัติทำได้ถึงอย่างนี้เป็นที่ ดีมากเลยนานานานตามมาเจอดูที่ครูบาอาจารย์ด้วยเจ้ค า, ค า, าค่ะเพราะว่าครูบาอาจารย์ต้องคอยคอยให้อยู่ในร่องที่ถูกต้องนะเจ้าค่ะที่หมอพูดมาที่บอปฏิบัติบ้างก็ถูกต้องหมดแล้วเหลือแต่ว่าไหนๆเพี้ยนเออเพียนเหลือแต่ความเพียนก่อนก่อนที่จะมาพบหลวงตาในตั้งแต่พศฤศจิกาธันวาแถวๆนี้แะเจ้าค่ะ ก็จะหลุดหลุดไปอีกละหลุดไปสู่ความจะหลบละจะจะหลบไม่เอาละซึ่งมันก็ไม่ได้อีกอ่ะมันมันเหมือนว่างนะเจ้าคะแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันอ็กซี่หนึงของความรู้สึกผิดอย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาแต่พอหลวงตา ม, มาให้ธรรมะในในห่วงหลังเนี้ยแล้วก็พอทําความเข้าใจเราก็สามารถอยู่ท่ามกลางได้อย่าง เรียกว่าความทุกข์มันไม่สามารถเข้ามากระเทือนเราได้เหมือนเมื่อก่อนนี้เจ้าคะา่ะเจ้าค่ะเมืม่อก่อนถึงจะหลบมันก็ยังทุกข์จัดเจ้าค่ะต่อต่อไปเนี่ยหมอมันจะเป็นต้องไปหล บ, หลบแล้วไม่ต้องไปไปหลบอยู่เงียบเงียบหะหลบนี้นอกจากว่าบางครัง้งบางคราวเท่า น, นั้นเองอะ่ะเพราะว่าปกติเนี่ยมันเราจะหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดน่นหงุดหงิดคนนั้นคนนี้ทําเสียงดังอะไรต่างๆนี่เราเราก็แอบไปอยู่เงียบเงียบอะไร ต่อไปเนี่ยมันมันสามารถใจที่มัน เ, เรียกไรใจมันไม่วุ่นวายแต่โลกเขาวุ่นวายคนนู้นวุ่นวายแต่ใจเราไม่วุ่นวายมันเลยอยู่ในทุกที่ไม่จําเป็นต้องหนีไปหลบอยู่ตรงโน้นหลบไปอยู่นี้ต่อไปหมอก็จะอยู่ในเองอะ่ะหมอจะเห็นว่ามันแตกต่างกันมาก่อนนี้ใช่ไหมัมนทีเรางุนหงิดแล้วเราไปหาที่สงบแต่ยิ่งสงบเนี่ยมันกลับไปบีบคั้นจิตใจเราทําให้สภาพแย่เราไม่ได้รับความจริง แต่ตอนนี้หมอเฉลี่ยว่ามันคนละอย่างกันน่ะเราสามารถกลับไปอยู่ในโลกของความจริงโลกวุ่นวายแต่ใจเราไม่วุ่นวายภายในจิตเนี่ยจิตเขาก็คิดปรุงแต่งวุ่นวายเข้าไปนั่นแหละแต่ใจไม่วุ่นวายโลกภายนอกวุ่นวายแต่ใจเราไม่วุ่นวายไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในจิตใจมันก็วุ่นวายเพรมันตามปกติมันก็เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับตามปกติเพราะว่ามันต้องติดต่อสื่อสารทําความเข้าใจกับคนนั้นคนนี้มันต้องคิดต้องพูดต้องคุย เนี่ยคือมันเป็นกิริยาการของจิตที่มันเกิดเกิดดับดมันเหมือนกับเป็นการกระเพื่อมเป็นการวุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายโลกวุ่นวายพุทธเจ้าตัดว่าโลกนี่คือโลกเราก็หมุนเนี่ยโลกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่หมุนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกลูกโลกอะไรทังลูกโลกแล้วก็ตัดว่าร่างกายเราเนี่ยก็เป็นโลกเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เป็นโลกมันเป็นโลกเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดเกิดดับดับมันปรุงแต่งมันวุ่นวายมันเคลื่อนไหวแต่ใจไม่วุ่นวายใจไม่เคลื่อนไหวอันถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยในความเคลื่อนไหวเนี้ยมีความไม่เคลื่อนไหวในความวุ่นวายมีความไม่วุ่นวายถ้าเราเห็นตรงเนี้ยเราก็จะพ้นจากทุกข์ได้เราอยู่ในในทุกที่ โลกวุ่นวายแต่ใจเราไม่วุ่นวายภายในวุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายสังขารเสื่อมไปร่างกายวุ่นวายคือ ส, สังขารร่างกายเสื่อมไปแต่ใจไม่วุ่นวายสังขารจิตปรุงแต่งในบริการต่างๆวุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายสามารถอยู่ในทรามกลางความวุ่นวายของโลกคือทั้งร่างกายจิตใจทั้งสิ่งใดภายนอกทั้งหมดได้โดยใจที่ไม่วุ่นวายนั่นแหละ ต่อไปหมอจะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อย